เทศนาเรื่องเรื่องชีวิตเป็นของน้อยเพื่อให้ตักเตือนเพื่อให้มีสติสามารถเอาังตังจิตให้มั่นคงต่อไปใน้ารีป็นเทศนาวะาโหรัตตามาตันดิตัง ชีวิตตังอุปรูปจิติคุณททีนมิโวดกังตั้งแต่ขวาว่าอาโหระตามัททิตั้งันคือวันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตตั้งอปรูปจิติชีวิ ต, ต, ต, วตก็นงหมดไปสิ้นเปลืองไปคุณททีนมิโอดกัง เหมือนกับน้ำที่มีน้อยอยู่ในรอยโพ้พันที่จะเสื่อมพันที่จะแห้งด้วยแสงแดดทันวาอย่างนั้นชีวิตของคนเราเป็นของหน้าเสียดายในวันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งมันหมดไปเปลืองไป โดยวันเวลานาทีวินาทีหมดไปหมดไปวันเวลานาทีวินาทีนี่เป็นเครื่องวัดชีวิตของคนเราหมดนาทีหนึ่งล่วงไปก็เรียกว่าหมดไปแล้วตลอดทังนาทีวินาทีตลอดทั้งชั่วโมง หมดไปหมดไปเสื่อมสูญสิ้นไปแต่ว่าคนผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตนะั่นเะลืมคิดนึกถึงเรื่องมันหมดไปเสื่อมไปถึงว่าหน้าเสียไดย้คุณค่าของชีวิต ยังตัวของเราให้เป็นอยู่เรียกว่าคุณค่าของชีวิตแต่ว่ามันค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปทีละเด็ดละน้อยเสื่อมไปโดยไม่รู้ตัวโดยไม่เห็นเกินคานเสื่อมสูญจิ้มไปเปียกเหมือนกับน้ำมันแล้วเปียกเหมือนกับน้ำน้อยในรลรอยโค ถูกแสงแดดย่อมผ่านเสื่อมศูนย์ไปฉะนัน้นหน้ามันยังไกลไปเปรียบเหมือนกับน้ำมันมีจินอยู่ในถังเปิดกปแล้วย่อมหายไปหายไปเราไม่รู้จักว่าชีวิตของเราหายไปหมดไป เมื่อชีวิตหายไปหมดไปก็ยังเหลือแต่ถังลราคือตัวของเรายังเหลือแต่โครงกระดูกยังเหลือแต่ซากศพงานอะไรเรียกว่าเหลือแต่เครื่องพลาดชนะที่ใส่น้ำมันชีวิตมันหายไปแล้วคือมันตายไปตายไปนั่นเอง ผู้ประมาทยอมลืมคิดถึงตัวของตนทันหมดไปหมดไปมันได้อะไรบ้างที่มันหมดไปหมดไปนั้นเราได้ทําคุณงามความดีอะไรให้ไป้แก่ตัวของเราบ้างถ้าหากเป็นผู้ไประมาทคิดถึงชีวิตที่หมดไป เราตั้งสติมั่นคงสติมั่นคงแน่วแน่ลงไปทึ่งชีวิตมันหมดไปตัวสติของเรายังคงอยู่คือคุณงามความดีความดีนั้นมันหมดชินไปรามีชีวิตอยู่ชั่วคู่ขณะหนึ่งก็ตาม หากว่าเราสติตั้งมัน่นมารักษาควบคุมจิตของเราอยู่ใด้มาให้กวดแกงไม่ด้ดินหลนและกระเสือกกระสนไปในที่ต่างเรียกว่าควบคุมสติอยู่นั้นเรียกว่าสติมันคมชีวิตมันเป็นอยู่ธรรมดามันต้องเป็นอย่างนั้น มันต้องเสื่อมสูญสิ้นไปธรรมดาคนเกิดมาตั้งร้อยปีพันปีก็ช่างเถอะก็ได้เชื่อว่าตายทุกวันทุกวันนั่นแหละอันจะไม่ตายไม่มีคนที่มีสติตั้งมั่นอยู่อันนั้นแะได้คุณค่าของตายแล้วไม่ได้ทำอย่างนี้หรอ มัดเลือดยังมีน้ําสติที่เรารักษาไว้ดีแล้วเวลาจะตายยังกระซับกระสายเหลือร้อนพูดนวายเกิดความไม่อยากตา ย, ายอะไรอวบนสิ่งต่างๆสติที่ ร, รักษาอยู่ดีๆเนี่ยเวลาจะตายจริงๆลจริ ง, งมันไม่ได้อย่างนี้หรอก อย่างเรากล้าหารอาจฐานว่าตายอย่างนั้นอย่างนี้เราจะรักษาสติว่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันองทาวอนในเป็นความคาดคนียดีอยู่เพื่อความกล้าหาญจะจนต่อสู้กับอันตรายคือความตายแต่เวลาตายจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น มันต้องเสื่อมไปทีละนิดนนหน่อยโดยาการเจ็บการปวดเจอาการทรุรนทุรายโดยาการที่เราไม่ได้ทำความเพียรภาวนาือผลอบรมอะไรมือจะเจ็บแต่ไข้มือจะป่วยสติก็ต้องอ่อนลงไปตามธรรมดา คนที่จะมีสติกล้าหารต่อสู้กองตายน้อยนะโดยมากม่กนจะเสื่อมลงไปคนตายเวลาตายจริงๆอาจารย์มันเป็นอยา่างนั้นใครมีความกล้าหันอาณาเักรทะเลต่อสูอมีวิชาความรู้จะทะเลต่อสูอ้เห็นนั้นจึิงว่า ในเมื่อจะตายนะมันเสื่อมสู์ไปหมดมันจะยังเหลือแต่ความกระสับกระส่ายั ง, เ, ยงเหลือแต่ความขวะวขกรนขวายยังเหลือแต่กิเลสที่เราละแล้วเราละเราถอนเดี่ยวทุกวันทุกวันนั้น่ัวนามันจะกลับฟื้นคืนมาเป็นผลให้เรา ยึดถือผู้มีสติมันคงนำลงไว้ซึ่งจิตของเราอันที่มันคงนั้นยังของน้อยนักน้อยหนาอั น, นอยังว่าผู้มีสติตั้งมัน่น ได้เชื่อว่ามีอายุยืนคนที่มีอายุตั้งหลายปีแต่หากว่าประมาทเกิดความประมาทเสียลุ่มหลงมัวเมาโดยวัตถุเอาของโดยบ้านโดยช่องเรือนชานสิ่งทั้งกลางมดเมาไปมดทุกสิ่งทุกอย่าง ติดของหมดทุกอย่างเราเรียกว่าผู้ประมามีอายุตั้งร้อยปีไม่มีดีอะไรเลยสู้เด็กเกิดขึ้นมาในวันนั้นแต่เขาไม่มีสติมั่นคงยังดีกว่าการมีสตินี่ทุกแห่งทุกคนนะ ศาสนาทุกสถาบันสติตั้งมันได้ได้ชมเชยในท่านชมเชยทั้งนั้นสอนสติอันเดียวไม่มีอะไรหรอกนอกจากสติแล้วมีความรู้สามารถอ่านสารันเท่หรดก็ตามถืคาขาดสติแล้วได้ชื่อว่า หลงแต่ตามตำลับตำลาหลงแต่ตามผมรู้วิชาแต่ขาดการรักษาตัวสติที่รักษาสติต้องรักษาตัวสติแล้วก็ผู้รักษาสติแล้วว่ารักษาตัวเองสติหมายในเยโรเกติปิชาเดวมาังทันเทศนาวะสติ เครื่องระลึกได้อยู่นี่แหละนังอภิษยาที่โทรมาันอาพิชาได้โทรมาน้าทวดัดเราจึงควรที่จะรีบเล่งอายุชีวิตของเราปานนี่แหละทุกคนอย่างน้อยก็20 30, 30ปีเกินไปแนว่า ตายไปหมดแล้วยี่สิบสามที่ปีอันที่ยี่สิบสามที่ปีนั้นไม่ใช่อะไรหรอกคือมันตายนับแต่ความตายไปอันที่ยังเหลือยังไม่มีใครนับได้สักคนเดียวเรนนั้นอันที่มันเหลืออยู่ไม่มีใครนับได้จึงงมม่าอยู่จังเรื่องอ่ะมันเหลือนี่ ขามาตั้งสติกำหนดจิตรักษาจิตของตนอยู่ทุกเมื่อเชื่ออยา่างเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ขยันมั่นเพียรพ ย, ยัญญาพระกอบด้วยสติอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นนนทาง พ้นจากทุกเป็นต้นทางพ้นจากบ่วงแห่งมารพ้นจากเครื่องผูกมัดของมารพ้นยังไงถ้ามีสติเหมือนกันอะไรจะมาผูกมัด ไ, ได้ถ้ามีสติทั้งวันเามันก็นมีหลงไหล น, น, นั่นแหละเรียกของมารไม่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ ตัวมันคือสติคือไม่มีสติตัวมานคือความรุ่มหลงคือความประมาทเพลิดเพลินในกามคุณลังหาเรียกว่าดอกไม้ของมารลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐะดอกไม้ของมานเราไปชมดอกไม้ของมานนานคือเครื่องล่ อ, อของมานเคองอ่อยของมาร เมื่อไปชมดอกไม้มันก็มันกระดกักออกตรงนั้นสิจี๋ท้ายเห็นลูกก็ไปดกักเอาตรงนั้นฮนะเพื่อเพลินดีปลอใจร่มหลว ง, ม อ, ง, ม อ, งอมมาพหมาตัวนั้นแหละไปถูกบ่วงมานเนะีหัวเอ็นเสียงมันกระดกักเอาตรงนั้นฮนะที่ชอบใจไม่ชอบใจอะไรต่างๆถูกบวก่วง ม, มด กินรลดโดพระธ า, ารมมทั้งมดทั้งดีและชั่วเรียกว่าถูกบ่วงประมาทั้งนั้นเราทุกคนได้ชั่วไม่มีสติได้ชั่วถูกบ่วงเข้ามาแล้วเวลานี้พระพุทธเจ้าท่านเทศนาให้พวกอยากคนจากทุกต้องการคนจากทุกฟังเรื่อประการอย่างนี้แหละ หากว่าผู้ต้องการพ้นจากทุกปัจนะอยากพนย่างนัไม่ดำเนินตามนี้ก็ไม่มีทางที่จะดำเนินไปได้ไม่สาวจะดำเนินทางไหนอย่างคารวาไม่ใช่พระชม่ชเนนไม่ใช่บรรพชาในพุทธศาสนาผู้ต้องการพ้นก็ต้องดำเนินตามนี้เหมือนกัน ไปไหนพ้นจากนี้ออกจากนีิเรามีทางไหนเป็นพระเป็นเลนอยู่ถ้าไม่ได้ไม่ดําเนินตามรอยนี้ก่อได้ชัวร์ก็ไม่พิษแตกอะไรกับคารวะเครื่องวัดของพระและเครื่องวัดของคารวะอยู่ตรงนี้แล้วคารวาจจะเป็นพระก็ม า, าเป็นตรงนี้แล้ว พระจะเป็นคารวะก็เป็นตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นจงพาการตั้งสติกำหนดจิตให้พิจารณาอย่างนี้แหละอยู่ด้วยความ ป, ประมาทก็อาจจะถึงความหลุดพ้นได้ถึงไม่หลุดพ้นก็เรียกว่าเบาบางลงไปเห็นจิตขงส่วนเบาบางลงไป ได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขเอาแล้วตอนนี้ที่อธิบายมาวา่าเรื่องชีวิตเรื่องของน้อยก็หมายความถึงเรื่องมรณาสตินั่นเองให้พิจารนามรณาสติว่าสิ่งใดที่มันตาย กายของเราเนี่ยมันมีสิ่งใดที่ตายที่จะนาเป็นเรื่องมด ท, ทุกส่วนนี้แต่มันตายไปตั้งแต่มือแต่เท้ามันเย็นมันตามันเย็นมันเหน็บมันซามันเย็นเลยตายไปทุกสิ้นทุกส่วนตายไปตายไปหดไปหดไป มันตายมานยังอุ่นยังติมหัวใจอุ่นในทากลาง อ, อกนั้นอุ่นตน้องงานกระลมหายใจตรงองงานแ่ะถ้ามันเย็นหมดก็ไม่มีลมหายใจความอบอุ่ น, นเป็นเครื่องให้เกิดลมหายใจความอบอุ่ น, นถ้ามันมีอบอุ่นนะมันก็เย็นหมดไม่มีลมหายใจ ไห้มีลมใจแล้วคนันนี่อันตัวใจแท้ไปไหนครวนี้ใจแท้มันก็ไปตามเรื่องของกรรมความเป็นกลางๆนั้นถ้าหากว่าหมดลมหายใจแล้วมันอยู่ไม่ได้อันตัวใจนั้นเรียกลมหายใจตลมหายใจจะเจริงอยู่เพราะมีลมมันยังค่อยอยู่ในนั้น ั้างหมดลมแล้วก็ไม่มีไม่มก็ไม่อยู่อี่นั้นเที่ยงวันลมหายใจถ้ากรรมดีมันก็ไปติดกรรมนะจ๊ะ่กรรมชั่วก็ไปติดกรรมชั่วนะจ๊ะ อ, อันนั้นแหละอันที่รักษาไว้ในใดเมื่อเรามีสติอยู่ดีๆที่นี่จะรักษาตรงนั้นนหะให้อยู่ ก, กลางๆนั้นนหะเมื่อลมหายใจหมดแล้วไม่มีทางนะ ไปตามเรื่องเห็นนั้นถ้าหากเรารักษาสติควบคุมจิตอยู่ได้อยู่ตรงกลางในเมื่อมีสติอยู่เมื่อเามหายใจหมดไปก็อยู่ตรงกลางนั้นโดยอำนาจกำลังจิตมีพละเสียงพอมันจะไม่หวั่นไหว เมื่อวันไหวเอยนเอียงไปทางไหนมันก็คงอยู่คงที่นาขันเมื่อมันไม่ไปตามกรรมชั่วกรรมดีได้มันก็เกิดไหนมันก็หมดเรื่องความเกิดมันก็ไม่มีนาจึงต้องให้รักษาตรงนั้น่ะยังนานความตายเบื้องตน้นส่วนไหนมันตาย มันหมดมันหมดลมไปมันเย็บอะไบางการไปทุกจริงทุกอย่างนั่นแหละให้หมดให้พิจารณาตรงนั้นนะจนกระทั่งจิตแน่วแน่จริงๆเหมือนจังในเมื่อมันมีสติอยู่ชีวิตยังอยู่นี่แหละมันจะไม่ปรากฏเลยขายก็จะไม่ปรากฏจะปรากฏติดใจในตรงนั้นแหละตรงการนนั้นาะ มันสามวันหายปไปไหนไม่ปรากฏเฉพาะไม่ปรากฏไปในตัวงเราความสุขความสบายเกิดขึ้นมาจากจิตที่มาไปยึดในสิ่งใดเป็นของโลกของหว่างเป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งคำว่าปรารถนาเป็นคำพูด ในตอนนั้นเรามีปรารถนาเลยหมวเรื่องแล้วไม่มีปรารถน า, รร า, ร า, นาจริงไหนพิจารณาตรงนั้นแหละอา่าพิจารณากันเหตเราต้อนนาวอะไรก็ไม่มีเรื่องอะไรก็าไม่พิจารณาอะไรก็ไม่พิจารณาให้มีเรื่องพิจารณาอันนั้นเป็นเพราะเราเพ้อสืม ในด้วยจักที่พิจรารณาแท้ได้จริงมีอยู่ของเราไม่อยู่มัดเรื่องทั้งหลายแลนี้ถ้าหากเอาปัญญาจะสอดสอด่องโดยพิจรารณาคอยจะเจอวัวของมากยังไงนันเหตุนั้นจริงว่าเราเ็มดตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดแล้ว ทุกผู้ทุกคนจงน้อมเอาสิ่งเหล่านี้จงน้อมใจเข้าไปพิจารณาสิ่งทั้งหลายนี่แหละนอกจากเราพิจารณาแล้วนอกจากเราจะพิจารณาแล้วไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่เราจะทำเรียกว่ามาทำกลมเพียนภาวนาเือในพิจารณาเท่านี้ก็พอ ให้เห็นชัดเจงแลยค่ะเรียกว่าเราภาว น, นาพิจารณาข้อานี้แหละเห็นนันเจ้าให้ตั้งใจรู้สาหาเหยียนประกอบโมพ า, าเพียรทำโดยความไม่ประมาทเจ้เห็นอํานาจอันนี้สงของการพิจรารณาดังอธิบายมาอย่างนี้ค่อยทําใจให้สงบ ค่อยผ่อนลมหายใจให้อ่อนๆลมให้ย ใ, ใ, ออใค่อยๆลงจนจับจิตได้คือว่าลมหายใจทัานผ่อน ล, ลงผ่อนะมันก็อารมณ์ตามมันก็ค่อยๆผ่อนลงตามเราจึงจับเอาอาการนั่นแหะอาการที่มันป่อน ล, ลงนะกําหนดลงแน่วแน่ตรงนั้นแน่แนั่แนแหะ ว่าอารมณ์อารมณ์มันก็สมกันคือมันมีลมมันเองลมผ่อนมันก็ผ่อนตามยากความเจ็บควมปวดต่างๆเนี่ยขั้นลมหายใจอดทนจุดขั้นลมหายใจอดออกเลยผ่อนลงผ่อนลงจดขั้นลมหายใจมันก็หายค่อยหายไป้อยเบาไป อันนี้เราจะจับลมเราจะจับอวการสงใจมันผ่อนอย่างนั้นะแล้วเราไปจับอวการนั้นนีย่ยไปถือเอาลมให้ถือเอาผูรู้ผู้ผู้มันจะงบทผู้มันอยู่คงที่ไม่มีอะไรหรอกนอกจากนั้นไม่มีอะไรถึงมีก็มีประโยชน์คนสายไม่เห็นมีรู้สึกอะไรมันมีคนเต็มอยู่ยังไปรู้สึก เหตุนั่นนหะตัวนั่นแหละผู้รู้ น, น่ะยังมีอยู่ผู้รู้นนสำคัญกว่าจริงอื่นมดดป็นค่ญญอยจับผู้รู้นั้นคนเดียวจริงอื่นมันก็วางไปหมดคำนดอย่างนี้จึงจะได้ความสญญางบอังดีเลยจะก่อคงมเพียรภาวนา เราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าใจอยู่ตรงไหนใจเป็นอาการยังไงต้องรีดเร่งทำอย่างนั้นพอให้มันทันกับการจะเวลาสมัยยุ่อชาไปมันจะไม่ทันกาด จันวนทันะตะลดสุท้ากลายเองรีบสียรีบหายอย่าให้มันสายดาวบัวจนแหวีห่ยงเข้าตัวของเรามันแหวี่ยงตะวันตวันรีบสียจะรีบหายใ่อย่าให้มันสายเกินไปเกินควรในเวลานี้เรียกว่าเวลาพอที่มาต้องควร ถ้าหากเป็นดอกบัวก็งาว่าฉันล่วงหมดก็มีเที่ยงพอบานอยู่ตรงที่เวลาตอนนี้กลิ่นหอม บ, บางๆอยู่ตรงชีวิตยังมีเครื่องหมายในขณนะที่ว่ามันกำลังบานคนะือเรายังรู้เห็นเป็นความจริงอยู่ ัเรียกว่ามันบานอนู่ยังยอมรับธรรมะคําสอนของพระเจ้าได้มันเรียกว่าบานทั้งนมไปแก่ก็เรียกว่าบานแล้วมันรับธรรมะคําสัอนขอะเจ้าเรียกว่าบานแล้วเพราะมันแก่มาทุกวันทุกวันจนกระทั่งฝานวันนี้แล้วไม่ยินได้ฟังแล้ว ไม่เื่อบาปถ้าหากนิ่งนอนใจไม่พักไฟถึงคทำงนานคนดีเรารักษาจิตใจของเราไม่ได้จิตใจของขวดแกงไม่อยู่นิ่งนอนได้ไปวันข้างหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าก็าไม่ทราบว่ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ ในเชา้าจะได้ยินยนี้หรือไม่เวลาที่เราได้สบึพบเห็นจงตั้งใจทมสมาธิภาวนารัากษาความสงบอบลมให้เขาถึงเอ释迦ลงสมงลง อ, อกุณไอลงเอ释迦จิตให้ลงปัจจุ บ, บันลงปัจจุ บ, บันแล้วมอดเลืองไม่มีอะไรแล้วไม่มีการส่ง่ายใช่ไห อารมณ์ความมดเรื่องความการลงปัจจุบันนั้นรักษาุอายนั้นไว้คำนดใจนั้นให้อยู่นิ่งอย่างน้นนะปัจจุบันนั้นเนี่ยเป็นการชำระแก้ไขตนเองในตัวลงถึงอััินาแล้วบางต่อไปลงถึงอุเบาละจิดแน่วแน่ลงไปอารมณ์มันเดียว ตจนาเรื่องเดียวอยู่ในที่เดียวเพราะนั้นในสิ่งที่เราต้องการและขาดท้นั้ถ้าหากา็่าพิจารณากันแล้วเรียบร้อยแล้วมันรวมลงเป็นอัปปนามันเป็นเองไม่มีใครแปรไม่มีใครแต่งไม่มีใครใครบอกใครสอดมันเป็นเองนั่นเรียกว่าจิตพัก ตั้งหนึ่งใช่่สิ่งที่ปรารถนาแท้เลยคืออุเบกขาลจออุเบกขานัีน้ยอย่าไปบังคับให้มันคิดคน้นถ้าคิดค้นมันจะทรงทายไปมันอยู่ในที่นั่นแหละสงบอในที่นั่ น, น, นแหละพิดที่นั้นนที่นั้เห็นในที่นั่น ค้นให้ค้นใะที่นั่นเนี่ยม่ต้องค้อนออก่บางที้าอย่ายงมาทั้งค้นก็ให้อยู่ด้วยความอยู่ส่ว น, วนองบนะจ๊ะ